ถ้าพวกฟังแล้วถ้าพวกอ่านทั้งหลายสําหรับตอน ไปรับแขกที่เป็นคําพูดคุจจวรัยนะเวลาประมาณบ่าย 2:00 น. เสร็จหนูก็ไปนั่งฟังหลานเจริญ คุณป้าคือคุณป้าน้อยป้าคือคนบ้านน้อยคนหลายคือ เพราะว่าหลวงปู่หาหาเรื่องคุยกับแขกเพราะว่าแขกเข้ามาไม่คุยใครคุยอะไรก็เหงาแต่ก็เป็นการบังเอิญพอที่ขึ้นไปก็ อายุนักองค์หนึ่งก็ประมาณสัก 50 เวลานี้แม่มาเจริญกรรมฐานกับหลวง 100 เมตรท่านก็ถามว่าที่วัดหรือหนูก็ตอบว่ามีถ้าท่านก็ถามว่าหนูเจริญกรรมฐานหรือเปล่าท่านถามว่าเจริญ ก็เลยกราบเรียนท่านบอกว่าเห็นน้องปู่ว่ารู้ลมเวลาหายใจเข้ารู้หายใจเข้าเวลา 10 นาทีก็มีครูไปสอนแล้วถามว่าครูสอนยัง <th> <th> <th> ก็ได้ตอบคําถามที่ครู <c oughs> เมื่อกี้นี้หนูก็ไปนั่งเล่นที่นิพพานเย็นๆใจสบายดีท่านเจ้า 3 องค์ท่านก็หัวเราะหัวเราะเบาๆน่ากลัวเกรงว่าจะหลวงปู่จะได้ยินท่านแต่บอกว่าเนี่ยศูนย์นะมันไม่มีอะไรคุณป้าเจ้า หนูก็เลยแต่ว่าในเมื่อหนูไปในนิพพานจริงๆหนูก็ไปถามพระที่นั่นว่าชาวบ้านก็ดีพระก็ดีคฤหบดียอมบอก ถ้าคนไหนไร้ความดียังมีความสกปรกของจิตอยู่มากคือกิเลสมีความรักในระหว่าง แต่คนที่จะเข้าถึงเขตนิพพานได้นั้นต้องเป็นคนรู้สึกระงับถ้า เมื่อบรรณะสามารถจะบังคับจิต แต่ความจริงหนูก็เป็นเด็กจริงๆครั้นหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าแล้วหนูต้องการอะไรหนูก็เลยตอบ นางฟ้าก็เทวดาเมื่อหมดบุญลัสนะบารมีก็จุติลงมาวนไปวนมาไปแดนของผมก็ไม่สภาพเช่นเดียวกันแต่มีแดนแดนเดียวนิพพานไปถึงที่นั่นไม่ต้องไปไหนอีกมีความสุขมากมีแต่ความยิ้ม ไอ้แกหันมาถามว่าหนูเชื่อไหมว่าเป็นตามนั้นไอ้การ <c oughs> ที่เคยโคยานี่จริงๆหนูปีแล้วแล้วท่อง เป็นบุคคลที่เจ้าบ้านก็ต้องการบุญใครอยากได้บุญคนนั้นก็ไปหาพระแต่ <c oughs> แต่ถ้าว่าถ้าการปฏิบัติไม่มีความเคารพในพระไตรสรณคมอันนี้หมดเรื่องกันตายแล้วลงนรกทุกคนก็เป็นอันแต Nanubogan, Mathan Prabab, Meray Mai, Mai, Mai, Mai, Mai, Mai, Mai, Mai. Gabadi Villanan, Mai, Jing, Sanghon. Gangjing Villan, Gregg, Mathan, Gangjong, Ganggai, Klaikab, Nodan, Le. Talmanubogan, Mathan Prabab, Nod, Sanghon, Mai, Ganggai, Najtja. Tel หลวงปู่ถามว่ามามากี่วันแล้วเธอก็บอกว่ามาเป็นวันที่ 2 หลวงปู่ก็ถามว่าวันนี้มีการเจริญกรรมฐานพอได้ผลมั้ยเธอก็บอกได้ผลเจ้าค่ะหลวงปู่ก็บอกว่าไหนเล่าเล่าให้ฟังทีได้ผลยังไง <c oughs> เวลาทํามีอารมณ์สบายพอสมควรท่านพระหลวง หลวงปู่ก็ถามว่าการแต่ง รู้สึกรังเกียจมากไม่อยากได้ไม่อยากได้ร่างกายเดิม ครูก็แนะนําให้เข้าไป ในพุทธรามณีนั้นไม่มีคมไฟไม่มีหลอดไฟฟ้าแต่ว่าสว่าง ท่านเป็นเหมือนรูปพระสงฆ์หรือว่าไม่ใช่หรือมีมวยผม นอกเขตพระฐานย่อมมาก็เต็มนอกพรหมเทวดามีเต็มหนูเข้าไปทุกท่านเหลีกทางให้เปิดเป็นช่องทางให้เดินพอได้เข้า ถ้าว่าที่หลังหนูทาบต่อหน้าพบุทธษา Ralph honestly 스크� sab görün peek at your grandma's all the raw land. กลาบเชะทราบ strong,�� just theippy personality. ありがとうございました Mr. Mnn Kori ask toothbrush ditch for a good thing against once, however, motorhome with a Dutch humble attribute to P lust as Paul, did well, is also was established and being Deku pe bon�� these people. Sales are Mechanical and l од attracting all the raw land with your p juax ﷺ. ęp the scorpion and whatever spaghetti เพราะว่าเวลาที่ครูให้เข้าไปช่วยแนะนําให้เกิดความเข้าใจ แต่ก็ต่อว่าร่างกายยัง <c oughs> บางคนก็บางท่านก็ไปที่มนุษย์บางคนก็ลงๆก็คือ <c oughs> แล้วก็พระพุทธเจ้ามีจริงมั้ยพระอรหันต์มีจริงมั้ยพรหมเทวดานางฟ้ามีจริงมั้ยท่านท่านก็ถามว่าเวลานี้หนูเชื่ออะไรได้อย่างเธอก็ตอบว่าหนูเชื่อ 10 ก็ดีศีล 5 ก็ดีจะไม่ยอมละเมิดพระพุทธเจ้าท่านก็ถามว่า เพชรก็ตอบอชัยเธอเลยถามว่าถ้าบังเอิญพูด ฟังจะออกแล้วพร้อม 25 ปีหลังจากนั้นก็ฟังท่านแนะนํา ถ้าเรามีความดีอย่างนี้เราก็มาสวรรค์ที่ความดีเลย 3 เคารพพระอริยสงฆ์แล้วก็ 4 เคารพศีลถ้า อาจจะต้องมีการแต่งงานก็ให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าการแต่งงาน ลูกจะศึกษาเล่าเรียนก็ต้อง <c oughs> De valkokal bent haalbaar, hij wordt aan haalbaar, hij wordt aan mazen, maar hij zakt een koetsje. je is een roepje, hij gaat naar de lone, hij gaat naar de lone, hij gaat naar de lone, hij dan naar de lone, hij gaat naar de lone, hij gaat naar de lone, hij gaat naar de lone, เราต้องการจุดเยือกคืนนิพพานและทําใจสบายไว้การงานอย่างไหนใน อย่างนี้ถ้าตายเมื่อไหร่ก็ปรนิพพานเมื่อนั้นท่านก็หาหัน วิมานของหนูมีแน่เป็นวิมานใหม่แล้วก็วิมานเก่าหนูมีแน่เป็นวิมานใหม่แล้วก็วิมานเก่าเธอ ที่พูดกับหนูเมื่อกี้นี่บอกว่าถ้าหนูพบพระพุทธเจ้าขณะที่ ขึ้นชื่อว่าบาปอกุศลอย่าไม่ถือว่าไม่ ก็ก็ว่าทายสําวันนี้ผ่านเธอก็หนักใจอยู่นิด อนาคามีและสักกิทาคามีและโสดาบันเธอต้องการ หลังจากนั้นคือก็ลาสําเร็จวิทยฐานออกจาก นี่พระพุทธเจ้าบอกและวิมานเก่านั่นก็หมายความวิมานหลัง เมื่อเจ้าจุติลงไปวิมานสลายตัวหายไปแต่ว่าพอเวลานี้พอทํากรรมฐานเกิดที่เก่าทันทีแต่ส่วนก็เก่าเธอก็ตามหญิงคนนั้นไปตามนาง วิมานเป็นวิมานแก้วใสสวยและใหญ่โตมากซะมีนางฟ้าประมาณพันๆอยู่ <c oughs> ไปถึงแล้วจะนั่งตรงไหนปั๊บมีท่านมาจะต้องการอะไรอย่างนั้นปรากฏ Nogom ikwa, nogom Song de ook van. meeting, พี่ทั้งสองก็เคยไปถามพระพระบางองค์ว่ามีจริงบางองค์ก็คัดค้านว่านั่นมันเป็นความเพ้อฝันคิดสร้างภาพเอาเองบ้างปรุงประทานบ้างเป็นภาพหลอนบ้างแต่ว่าเวลานี้พี่ทั้งสองก็ยืน มีสิ่งที่แปลกอยู่นิดนึงนั่นคือว่าพระ 25 ปี น้องอายุ 9 ปีพระท่านฟังไปฟังไปฟังไปท่านคงหนักใจนะมั้งพูดก็ดีตามความรู้สึกของพระตามป้าน้าก็ว่า เป็นเรื่องธรรมดาจริงๆเรื่องธรรมดาจริงๆเพราะว่าคนที่เขาไม่เชื่อพระพุทธเจ้าน่ะมีเยอะความจริงเค้า เทวดาบอกสวรรค์มีจริงเค้าก็บอกว่าไม่มีนรกมีจริงเค้าบอกไม่มียัน <c oughs> หายกิจเองไม่เป็นต้องขอเขากินแต่ไม่มี